เส้นฟังที่เคารพค่ะนี่คือรายการสรนสนีสนทนานะคะคือพระมหาวนาป่าพงลำลูกาคลองสิษย์ท่านมานําพวกเราปฏิบัติท่านอ่านพระสูตรหมายถึงพุทธวจนะของพระาศาสดาให้กับพวกเราได้ฟังพร้อมคําอธิบายย่อๆต่อจากนี้ไปเราจะได้สนทนากับพระพยัยบุญอภิปุโนเพื่อที่ท่านจะได้นําเอาพุทธวจนะที่พระาศาสดาได้ตรัสไว้มาตอบคาถาม ในทุกๆคำถามที่ได้ถามไปนะคะกลาบนัมส ก, การ์ท่านพิบูนค่ะชัยพานกลับท่านพิบูณค่ะหลังจากที่ได้สนทนากับท่านในเรื่องของแก้วพงประยูนนักมวยที่ครองใจคนไทยแล้วก็ค้างใจคนดูไม่ว่าจะเป็นคนไทย <laughs> หรือชาวต่างชาติว่าเอ๊ะเขาถูกปล้นชัยชนะหรือเปล่าทีนี้ดิฉันก็เห็นเพื่อนๆ เ, เ, เขามีความ ทุกกันมากเลยนะคะในวันรุ่งขึ้นจากที่แข่งขันเสร็จในการสื่อสารทางไลน์ทางโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่กระทั่งไปเดินซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าพนักงานนี่ไม่มีสมาธิจะคุยกับเราเลยนะคะก็ได้แต่พูดกันถึงเรื่องเมื่อคืนนี้เรื่องที่ผ่านมาว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ทีนี้ดิฉันเองก็บอกเออมื่อคืนได้คุยกับ ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์นะคะอันนี้ใส่ไปนในไลน์ก็บอกว่าท่านอาจารย์ก็บอกวาอ่าต้องเข้าใจวา่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยซึ่งมันมีปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้นะคะ <c oughs> แล้วก็กท่านก็ยังได้ต่อถึงเรื่องวาอ่าเราจะต้องคิดอย่างกับความตายเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ดังนั้นโดยจะต้องฝึกฝน ก็ประมาณอย่างที่ท่านได้พูดมาเนี่ยนะคะทีนี้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งค่ะเขาส่งเข้ามาทีหลังหลังจากที่คนอื่นวิพากิจอะไวเขาพูดสั้นๆว่ า, วาเขาโกงกรรมเขาเร า, าโกรธกรรมเราถูกไหมคะถูกต้องอันนี้ก็เป็นสอดคล้องพระพุทธเจ้าพระพุทธวัชนะตรงที่ว่าเร า, าอย่าเอาความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยมาเป็นเหตุปัจจัยให้เราทำชั่ว นะ่ยคือคนอื่นเขาไม่ดีเนี่ยก็ไม่ดีไปคือเราถึงแม้เราจะได้การตรวจสอบแล้วว่าเขาไม่ดีจริงๆใิเนีเอากรณีที่เห็นชัดชัดเลยอย่างผัวมีชู้แล้วเมียก็เลยคิดว่าเอาเ อ, เอมันมีชู้ฉันมีชู้ด้วยโอ้อันนี้ไม่ได้เลยเนะี่ยเพราะว่าเราอาศัยคนที่เขาทําชั่วเราก็เลยทําชั่วบ้างโอ้อันนี้แย่มากเลยก็คือเหมือนก็แบ่งกรรมเข้ามากรรมชั่วเขามาเป็นกรรมชั่วของเราด้วยโดยกรรมชั่วเขาก็ไม่ได้ลดกรรมชั่วเรากลับเพิ่มอ่านะ เพราะฉะนั้นเราก็อย่าเอาความไม่ดีมาไว้ในสิ่งเราเนี่ยที่เราได้เคยพูดกันหลายๆครั้งว่าเราจะล้างสิ่งที่ไม่ดีได้เนี่ยด้วยสิ่งที่ดีเท่านั้นในเวลาน้ำมันท่วมมันเลเอะเทอะอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เอามูนคูดไปล้างลอยเลอะๆตามฝาบ้านนะเราเอาน้ำสะอาดๆไปล้างเช่นเดียวกันถ้ามันมีเรื่องโกงเกิดขึ้นเรื่องโกรธเกิดขึ้นเรื่องใส่ร้ายกันเกิดขึ้น นะสิ่งที่ต้องแก้คือใช้สัจจะความจริงใช้เมตตานะใช้การเปิดเผยพวกนี้จะเป็นสิ่งที่แก้ได้นะจะเอาความจริงชนะความเท็จเอาการให้ชนะความตรณีเอาความเมตตาชนะความกโกรธตรงนี้พระเจ้าว่างนี้อันนี้พูดถึงเป็นโลกของพระโลกของพระธรรมของพระพุทธเจ้า แต่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยบางคนก็ยังมีความรู้สึกค้านอยู่นะคะ<ม>ว่าถ้าพูดถึงเรื่องเขาโกงอย่างเงี้ย น, นะคะบางคนก็บอกว่าเรื่องโกงถ้ายิ่งเป็นโกงของส่วนรวมเนี่ยแม่จะให้เรานั่งนิ่งอยู่ได้อย่างไรอย่างเนี้ยถ้าพูดในทางธรรมะเราจะต้องทำยังไงคะท่านคะถ้าเราอยู่ในสถาน ก, การณ์ที่เราเราเป็นผูท้ที่จะต้องแก้ไขเราก็ต้องทาไปตามตามแก้ไป นั่นคือไม่ใช่เห็นแก่ไม่ศินจ้างหรือว่าไอ้อข้อที่เขาเรียกว่าอะไรศินบนเนี่ยทำให้เราปฏิบัติหน้าที่โดยะละเมิดหรือว่าโดยไม่เต็มไม่เต็มหน่วยอันนี้ก็ไม่ได้เราก็ทําไปแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปจัดการอะไรน่นเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทํางานของเราไปนั่นคือคือบางคนต้องทําหน้าที่ในการตรวจสอบน่นคุณก็ทําไปสิก็ตรวจส อ, อบไปก็ถูกต้องทําทํา ถ้าคุณไม่ได้ทําหน้าที่ในการตรวจสอบแต่คุณเป็นพนักงานอย่างอื่นคุณก็ทํางานของคุณไปนะไม่ต้องไปบอกใครอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขามาถามเราก็พูดได้แต่ถ้าเขาไม่ได้ถามเราก็ไม่พูดก็จะเป็นลักษณะของการถูกําเดี๋ยวคุณยมติว่าจะตามว่อาอ้าวนี้ไม่เป็นการปกปิดความชื่วของคนอื่นเหรอค่ะอ่าธิาามาจะตอบว่าไงดีนั่นน่ะสิคะเอ่อก็จะต้องอบอกว่าอันนี้ถ้าเราเอาความชื่อมของคนอื่นมาเปิดเผยเราก็ไม่ดีอะนะถ้าเขาถาม เราก็บอกให้ได้แต่ถ้าเขาให้เราไป เ, าเขาเรียกว่าอะไรให้ไปเป็นพยานในศาลแล้วก็พูดได้แต่ถ้าเขาไม่ได้ถามเราเราก็ก็ไม่ต้องพูดก็ได้ความไม่ดีของคนอื่นนะค่ะอืมก็ก็นี่คือพูดตามธรรมนะอา่าพูดตามธรรมคือคื อ, คอจึงดูเหมือนกับว่าอา่าจะอาจจะไปคนละทางกับทางโลกสักหน่อยอย่างนั้นไหมคะเอ่อจริงๆมันเป็นทางเดียวกันแต่ว่ามันสวนความรู้สึก ของเราทำไมเพราะเราไปตามตันหาอยู่เราไปตามตันหาอยู่เราจรึงรู้สึกมันเป็นเรื่องทุนกระแสมันก็ถูกแล้วนี่เพราะทรรมะของพระเจ้าเป็นเรื่องทวนกระแสของตันหาเราอยากให้คนอื่นชิบหายางไงเราอยากให้คนอื่นชิบหายางไงทีนี้พอมันไม่แย่อย่างที่เราคิดแหมไม่ดีเลยทำไมพระเจ้าว่าอย่างงั้นเป็นเรื่องโอ้ยขัดความ <c oughs> รู้สึกแล้วก็มัน ก, กระทวนกระแสก็ถูกแล้ว <c oughs> เพราะนั้นเพราะนั้นเราเราก็มีความรักความเมตตากับคนไม่ดีเราก็เมตตาคุณยมติ๋วดีไหมอารมาว่าดีออกเออเนี่ยค่ะคือคือดิฉันถามเป็นกลางเพราะว่าก็จะต้องทําหน้าที่คอยซักถามท่านเดี๋ยว่าจะมีท่านฟังถามค้านอยู่นะคะมีความเห็นแย้งแต่ว่าอในส่วนตัวเป็นอย่างไรเนี่ยดิฉันคิดว่าดิฉันสงวนไปดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นการชี้นำหรือจะเป็นการทําให้ท่านฟังไม่สบายใจนะคะเอาเป็นว่าถ้าจะถามเผื่อเนี่ยก็คือว่า ก็คนเขาไม่ดีนะแล้วเขายังทําไม่ดีกับคนจํานวนมากแล้วทําไมเราจะต้องไปปล่อยให้เขาทําไม่ดีด้วยการที่พระอาจารย์มาบอกว่าให้เมตตาเขาอีกการเมตตาเนี่ยไม่ได้ปล่อยนะคุณยมติวการเมตตาเป็นการตอบโต้แล้วนะตอบโต้ด้วยความเมตตานะจอย่างไรล่ะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เมตตานั้นปรากฏว่าเราตอบโต้ด้วยการด่าอย่างนี้โอ้ยคุณอันนี้คุณทําไม่ถูกเพราะอะไร เพราะคุณชื่อว่าไม่รักตัวเองเพราะเมื่อไหรที่เราดา่าปุ๊บเนี่ยนะมันเป็นเป็นดาบสองคมมันทิ่มเราด้วยเราเลือดออกด้วยใจเราก็เจ็บด้วยเราพูดลองพูดสับสนสิพูดพูดยุยงให้คนแตกการพูดเรื่องชู้ชองคนอื่นแม้มันเป็นเรื่องวุ่นใจเรื่องกังวลใจเรื่องหนักใจพพูดแล้วจิตเราก็ก็เป็นแบบเป็นอคุศลน่ะอันนี้ดาบสองคมเราโดนเราด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ทําอย่างนี้ชื่อว่า ไม่รู้จักรักษาตัวเองจิตตัวเองไม่รู้จักรักษาคิดว่าจะไปรักษาบ้านเมืองแล้วจิตตัวเองไม่รักษาจะไปรักษาได้ไงแต่คนที่ตอบสนองด้วยการมีเมตตาไอ้นี้รักษาตัวเองด้วยแล้วถ้าบอกว่าเขาได้รับกระแสความรักความเมตตาคนที่ไม่ดีนะได้รับกระแสความรักความเมตตาแล้วเนี่ยกลายเป็นคนดีขึ้นมาโอ้โหดีมากเลยแบ้านเมืองก็ดีขึ้นมาไอ้ที่หายหายแปดจะได้คืนด้วยซ้ํา นะล้วก็สถาน ก, การณ์ต่างๆมันก็ไม่ถึงเครียดนั่นนี่เป็นการตอบสนองตามธรรมไม่ใช่ไม่ทําอะไรนะแต่ตอบโต้ด้วยความเมตตาตอบโต้ด้วยความอดทนตอบโต้ด้วยความไม่เบียดเบียนไงเราตอบโต้อย่างเงี้ยปฏิบัติตามธรรมด้วยไม่มีใครเสียหายเลยทุกคนวินวินหมดค่ะทีนี้ก็เท่ากับว่าเอาเป็นหลักการล่ะทางธรรมะที่อาจจะใหม่อยู่สักหน่อยสําหรับผู้ที่อาจจะเพิ่งเข้ามาในหนทางนี้ แต่ว่าถ้าอาจารย์ยืนยันว่านี่แหละคือการตอบโต้แล้วและดีกว่าในการตอบโต้อย่างอื่นด้วยจริงๆนี้ก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าบัญญัติไว้ตั้งแต่นาแล้วไม่ได้เรื่องใหม่เลยแต่เป็นเรื่องที่มีมานานแล้วแล้วพระเจ้าทํำไหมทํามันใจสมไม่ได้พระเจ้าพระองค์ทํำไหมดูสิก็ดูเรื่องเทวทัศน์เป็นต้นแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ไปใส่ความหรือขับไล่หรือลงอ่าเขาเรียกว่า อุปหานิยกรรมอะไรกับกับเทวทัตนะคือการลงโทษทางสงฆ์ก็ไม่ได้ทำนะมีแล้วก็ตามว่าทํำยังไงก็คือพูดไปตามธรรมก็ยังมีความอุบเบกขาอยู่ในเทวทัตเพราะว่าตัวพระองค์เองรู้จักการรักษาจิตเราก็คนอื่นพอเห็นพระเจ้าปเป็นอย่างนี้ก็รักษาจิตตัวเองด้วยเหมือนกันนพะอรักษาจิตตัวเองแล้วก็มีคนเดือดร้อนน้อยลงเฉพาะพวกที่ไม่รู้จักรักษาจิตก็อาจจะเดือดร้อนบ้างอะไรนี้ ดิฉันเกเลือนลางเหมือนกันนะคะว่าเรื่องราวระหว่างพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรท่านจะเมตตาเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งไหมคะ อ, อ๋อก็คือพระเจ้าตอนนั้นพระเทวทัตเนี่ยก็มีความคิดที่จ ะ, ะทําลายสงคือเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยมีความคิดที่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเองนะคือโดยการยุ ย, ยงให้พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไปฆ่าบิดาของตัวเอง ทำปิดุขา่าแล้วก็ครองความเป็นใหญ่แห่งแคว้นโกศลตัวเองก็จะขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าเองโดยการแบ่งพวกพิกษุมานะประกาศรัฐที่ใหม่ทำลายใหม่อย่างนี้แล้วก็พยายามที่จะรับองประชาชนพระพุทธเจ้าก็ยังมีความเมตตามีความเมตตากับเทวทัตอยู่สังเกตได้จากบทเพี้ยนฉันท่พุทเจ้าพูดถึงว่าถ้ายังมีเปรียบเทียบกับคนที่จมหลุมคู่นะนะหลม <c oughs> อุจจาระเนี่ย อาสมัยก่อนมันไม่ไเป็นส้มซึมอะตกลงไปนี่ถ้ายังเหลือแม้เส้นผมเส้นเดียวโผล่ขึ้นมาเนี่ยแล้วจะดึงขึ้นมาให้ออกจากหลุมคูดได้พระองค์ก็จะทําแต่ในกรณีของพระเทพรทนนัตน์มองไม่เห็นแม้ผมเส้นเดียวที่โผล่ขึ้นมาจากหลุมคูดก็เลยทําไม่ได้อแม่ต่างจริงอะเนี่ยคุณยมติ้วถ้าผมว่าเราเรามารู้นะว่า แม่อายุคนนู้ดนี่มันไม่ได้ยาวเลยมันสั้นมากจริงๆนะเราไม่มีเวลามาคิดเรื่องชั่วๆหรอกหมายถึงว่าเรื่องที่มันจะเสียเวลาของเราอะนะมาก็คงจะมาได้เท่านี้นหะ <c oughs> แต่ปัญหาของมนุษย์ก็คืออันนี้พูดแล้วก็พูดอีกพูดอีกก็พูดแล้วนะคะว่าบางทีเราก็รู้นะว่าเอคนเราเนี่ยตายแ น, น่ๆสมมุตินะคะเอาเรื่องตายกัอนอืม <c oughs> ชีวิตมันไม่ได้ยั่งยืนเป็นนิรัน แล้วก็แถมยังไม่รู้อีกคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ใช่แต่ว่าทำไมความคิดเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่รู้นะคะแต่ลืมตลอดอก็เพราะเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่ก็เลยคิดว่ามันจะมาไม่ถึงไงนี่คือลักษณะของความประมาทก็คุณไม่รู้ก็เลยคิดว่ามันยังยังไม่มาสัทีนะแต่ถ้าคนยิ่งไม่รู้ยิ่งควรจะต้องรีบป้องกันนี่คือคนไม่ประมาท แต่ไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าเอ๊เราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าถ้าเราทําไม่ดีหรือทําดีแล้วมันจะเป็นยังไงเราก็รีบทําดีซะแต่วันนี้นนโดยการที่เราไม่ได่าใครไม่ว่าใครเขาจะทําชั่วไม่ใช่ว่าเราเมินเฉยนะเราไม่ใช่สนใจหรือว่าไปช่วยเขาหรือว่าเอาหัวหน้าไปาเอาตาไปได้ไม่ใช่แต่เรามีการตอบสนองด้วยลักษณะ4อย่างนี้น ะ, ะเราก็ชื่อว่ารักษาตัวเรารักษาบ้านเมืองด้วยรักษาเขาด้วย แก้ไขด้วยการทำเป็นทำคือโดยทางปฏิบัติเนี่ยบางคนก็จะว่าทำไม่ได้หรอกทำยากจริงๆทำได้คุณลองทำดูเอาไม่ต้องเรื่องใหญ่ขนาดว่าโกงบ้านกลงเมืองเป็นหลายหมื่นล้านหรอกเอาแค่ว่าในบ้านคุณตื่นเช้ามาคุณเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจคุณมีเมตตาได้ไหมกับข้าวเอาทำไมมีแมงวันทาไมมีผมคุณพูดดีๆกันได้ไหม <c oughs> อ่าอย่างนี้เอาเราฝึกตรงนี้ก่อนเอา ทำได้ไม่ยากเลยถ้าเราทำตรงนี้ได้ต่อให้เรื่องใหญ่ขนาดไหนก็ทำได้คือจริงๆสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะโอ้แน่นอนเลยเพราะว่าสังเกตตัวเราเองถ้าเกิดเราเริ่มต้นด้วยการมีความคิดในเชิงลบแล้วหงุดหงิดกับเรื่องที่หนึ่งมันจะพอกพูนขึ้นถ้าเราไม่ฝึกที่จะลดละใช่คือ เราก็ชักมาพบตัวเองเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้เราไม่ชอบอะไรไม่ถูกใจอะไรไปหมดเลยมันเป็ น, ปนคุณช่างเจ๊ช่างจ๊นะไม่เลิกกม <c oughs> ันมิงจกเลย <c oughs> ค่ะไอะสิ่งเหล่านี้ถ้าพูดตามธรรมะคืออะไรเหรอคะ เ, อเป็น เ, <อ>เป็นอะไรที่ไม่ดีเหรอคะเรียกว่าอะไรพูดถึงโดรวมกันคืออากุศลรธรรมค่ะแหนถ้าพูดถึงย่อลงมาคือมิจฉาสังกปะ พูดถึงย่อลงมาคือความพยาบาทความคิดปองร้ายความไม่พอใจนะพูดถึงย่อดลงมาอีกก็คือความที่มันเป็นสนิมที่กัดกินจิตของเราคุณยมติวมันมีนิดนึงเนี่ยที่คุณยมติวพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมีนิดตรงนี้นี่แล้วไม่รี้แก้เนี่ยสนิมนะสนิมมันจะยิ่งพอกพูนพอกพูนเคยเห็นเหล็กที่สนิมกินนะนะสุดท้ายเนื้อเหล็กไม่มีเลยนานวันเข้าปีหนึ่งสองปีอ้าวหายหมดเลยโอย้เราไม่รู้เลยมันกินจิตของเราไอ้พวกเนี่ยสนิมสนิมในใจ สนิทในใจนั้นบางคนเนี่ยบางทีเราสมมติว่าคนทำงานบ้านให้เราอย่างเงี้ยใช่ไหมคเยนผ่านเราก็อาจจะเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีเรื่องที่จะต้องสูงสิงกันมากส่วนใหญ่เวลาจะพูดเนี่ยเรื่องดีก็ไม่ได้พูดหรอกถ้าพูดก็เรื่องที่มีปัญหา <c oughs> อ่าอย่างนี้ถือว่ารเรารคนคนใกล้ตัวที่ช่วยงานเราเนี่ยคือจริงๆมีอุปการะใเรามากนะค่ ะ, ะเพราะนั้นการที่ เราเห็นอุปการะของเขานะเอาอาหารต่างแดนมาให้บ้างนะให้จ้างรางการให้อิสระตามสมัยพวกนี้เป็นหน้าที่ที่เราทําถ้าเราทํำอย่างนี้แล้วอาจจะสื่อสารกันด้วยรูปแบบอื่นก็สามารถทําได้ค่ะเ <No. S 2> ังนั้นกําลังจะบอกว่ามันก็คล้ายๆกันกับเรื่องที่เรารู้สึกไม่พอใจโนูน่นนี่นี่นั่นไปอยู่เรื่อยแต่ถ้ามีบุคคลอันเป็นคนที่จะต้องรองรับความไม่พอใจซ้ํา ๆ, ๆๆของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วจําเป็นต้องอยู่ร่วมกันเนี่ย ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ใช่นะคะนั่นคืออกุศลทั้งหมดไม่ดีทั้งเราไม่ดีทั้งเขาถูกต้องนะคะแล้วมันกินจิตเราด้วยใช้เมตตาเมตตานี่แหละใช้ความอดทนอดทนนี่แหละค่ะนะคะรักใครเอนดูประมาณนั้นหรือเปล่าคะใช่ๆหคะวันนี้พอดีเวลาหมดอีกแล้วค่ะท่านคะและนี่ก็เป็นวันศุกร์นะคะดังนั้นท่านเพบูลจะไม่ได้มาจัดรายการ นี้สารอาทิตย์พร้อมๆกับที่ชันแล้วก็ท่านมาร์กเพียงแต่ว่าท่านพยบูรณ์ยังมีสถานีวิทยุกจายเสียงแห่งประเทศไทยที่จะมาพบกับทุกท่านในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะว่างๆก็เปิดไปฟังคุ้นเคยกับการตื่นเช้าก็เปิดไปฟังแล้วเดี๋ยวรายการเราจะกลับมาพบกับท่านในวันจันทร์ที่จะถึงนี้วันนี้ก็กราบนมัส ก, การขอบพระคุณท่านก่อนนะคะเจริญพรานกันฟังที่ครบคะ่ะท่านพยบูรณ์วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีมีคอสล็กเรน กันเป็นประจำทุกเดือนค่ะวันนี้รายการของเรานะคะก็ถือว่าได้ทำหน้าที่กันมาจนกระทั่งได้เวลาที่เราจะต้องลาเพื่อที่จะไปพบกับท่านใหม่ในวันจันทร์ที่จะถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่าลืมไปทบทวนนะค ะ, ะชีวิตนี้มันสั้นนักอย่าทำในสิ่งที่เป็นอกุศลดยเฉพาะกับคนที่มีอุปการะกับเราหรือว่าคนที่อยู่ร่วมสังคม กับเราอยู่กับคนอื่นนะคะรักษาผู้อื่นพระพุทธเจ้าบอกว่าให้มีความอดทนให้ไม่เบียดเบียนให้มีเมตตาจิตให้มีความรักใคร่เอ็นดูฝากกันไว้เท่านี้นะคะและที่ฉันเชื่อว่าท่านก็จะดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางคนรอบข้างอย่างมีความสุขมากขึ้นวันนี้พุทธวัตรสวัสดีค่ะ